ีคนทงงั้งหลายอยากได้ความสุขความสบายไอ้ฮ อ, อันนั้นหาอันนี้ถ้ามันสุขสบายไม่ใช่มันไม่สุขสบายพอไปปองกันทองมปวดาบรรดาศักดิ์ติดร้อนทันคาพราพอรับพอนอนพออยู่พอกินเออมันไม่ ส, สบายพออะไร อะไรสบายแล้วทําในบริณัทที่สันที่การสุก ข, ขังทุกอะไรเสมอคิดสงบไม่ีเอ่อจิตสงบแบบนคีความสุขมีความทุขอยู่ตรงนี้ทุกบางคนว่าทุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอวัตยากทุกเนี่ยมันไม่ใช่ ไม่มีคำถามมันได้จากทุกไม่ใช่ทุกเรื่องใดที่ทาโผปนามาสิโคเวยทุกครั้งมันจะจำสิโคเวยดูวยจจความท่านหมาสัจจำความจิงทุกอะไรเล่าทุกความเกิดอาติทุกความเกิดเป็นทุกขลาความแส่เป็นทุก ใยาที่ความเจ็บไข้ใจอักขะยาจเป็นทุกข์มันนำี่ทุคขังความตายเป็นทุกข์นี่ความทุกข์ทนี้เราจะทำอะไรจะไหนพ้นร่าดมานัานคืออธิบายทำมาแล้วในเบื้องตอน้นนี่เพื่อจะทุกข์ตันนี้ทุกข์ว่าความเกิดนี่ว่าจิตเราสงบแล้ว เจ็บเรามมันไม่เก mm ิดแล้วม uh, ันก็ไม่ทุกข์ม ah, ันแน่ม uh. ันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่แก่มันไม่แก่มันก็ไม่เจ็บมันไม่เจ็บก็ไม่ตายมันไม่ตายก็ไม่ทุกข์อมตะเราละเกิดเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บ จิตวกกับกายร่ายกับทุกข์เวียนไหตายเกิดเกิดแ้ตายตายแล้วเกิดกิดแล้ตายตายแล้วเกิดก็ดล้ตายาแล้วเกิดกิันเรานั้นจะขาดกัแล้วเนี่ยนะลืมวัดนี่อยู่ที่เฮ้ยอย่าไปลืมที่ต่อไปรู้ไว้สินะจิพบกิจการมาแล้วนี่น นี่คนบางคนเราเกิดมาไม่เห็นใครมาบอกจกค้นมาจากขาดใดพันใดจะบอกอะไรแต่ในพบนี้เราอัตภาพนี้นะมาได้สามพบแล้วเราก็ยังบอกไม่ได้จําไม่ได้ใครจาได้แล้วพบนี้ดูโลกกันตารโลกนะมาดูกันตารลก ครัทบที่สองคือทองตัวมากแดงๆมีครบที่สามใหญ่ไบ้ลึกได้แม่อยูอ่ในขัในขับนเป็นไรทุกขนาดไหนนลืมว่าหลอกแต่ครานี้จะมาชาปืนอะไรอชาปนี้นจำไม่ได้แล้วนะ ดิ้นรนมทุกขนาดไหนเรดูที่เดี๋ยวโลกกันตานโลกโลกโลกันตามืดหมดเอออยู่น่ น, อนโอยขอข้าไปเจ้าคนทอนนรกลูกนี้ภานนวานานเป็นเล่นสนเดชธรรมเนเรื่องโลกเนเล่นสนอตมาไม่ได้เล่นอะอาาอีจีอูอีกล อ, อ, อ, อ, อูขอข้าไปเจา้ า, นจาคนทรนรกลุกนี้ ไอ้คนแทนทุ้กจะจบอยู่ด้วยหลมูดหลมพูดทไมหลงมูดหลมพูดเร่อยๆันของมันดาว่าไงเล่าน่ยลวงพไงม่จบหรออ่าอ่าะมันจบใจลืมไหมล่ะมันจะขอกระหันนะรดโดยจะคำหัน ท่นเปลี่ยบรุษเดยจะท่านเปลี่ยวลงมาเก็อกลงจากเสียลอยชั่วชั่วบลืมม็ดขงธนาตกใจเออลืมม็ดล็อไปความปะจัยังตั้งใจได้ยังเหลือแต่ตัออกับตังอเานั้อ่าอีอูเลือดลืมเดยังเหลือแต่ตออกกงอถึงก็พอตั้งใจได้ อันนี้อันนี้เออเี๋ยวคนอันดียวนะมาลืมวะละพอตัวไม่้เป็นอย่างนั้นเลยเออนี่หละคนเราที่เราให้ายให้น่นดำวัออกไป เรื่องเล่นชวอะไรวะข้อสุดท้ายน่ะอืมอืมตกเอาละภาพนี้วาะนะคำนะนะสุดคำสุดแล้วายวไปตัวมาที่ท่านได้ฟังมานี้เป็นธรรมกถาของท่านอาจารย์ฟันอาจารย์โร พระอุดมสมพรในการบำเพ็ญจิตภาวนาพุทโธทณปัปรบวรนิเวศพิหารภาคบ่ายวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าอสิบแปดต่อไปนี้เป็นธรรมกถาต่อภาคบ่ายวันที่หกธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดพอทั้งหายที่มาบริสุ์ตอเทียนตั เนี่ยการประชุมทางกายแล้ ว, ลวรประชุมทาใจเจรมรรครลบางทีความประชุมทางกายทใจของเรา ม, มวาันนี้กษเก์ไปล้วนไม่ใช่เรื่องนเรื่องใจเรื่องตัวของเกิดเราทางนั้น น, นี่เราทั้งหลายให้น้อมจิดคำเร า, ายอย่าส่งไปคำาคืนนในนี้เราอยากมีจักว่าความเป็นอยู่ของเราเวลานี้อยู่ในขั้นใดภูมิอันใดในพบ อ, อันใดให้ตากัน น, น, น้อมพร้าไปด ยาทรงฟังแตเสียงกานที่ฟังธรรมะคำสั่งสอนกับพุทธเจา้าเมื่อท่านสองตะกอนผู้ใดได้สะดับว่าธรรมะคำสั่งสอนนั้นได้สำเร็จมากก็ไม่ผลเป็นจานวนมากแต่เราทุกวั น, นี้การที่ฟัง ฟังกันทุกวันแต่ไม่ปรากฏจากเดําเร็จมักตามเดิมผลคือเราเป็นแต่ฟังแต่เป็นพิธีไม่ได้ฟังสมงทำถึงมีใหม่ถึข้อปฏิบัติฟังแต่เป็นพิธีเท่นั้นอันนี้การสาเร็จมากตาเดิมผลไม่ได้สําเร็จทื่อื่นไกล สำเร็จที่ดวมใจเหา ร, ร, ร, รสสาทรมาทำสั่งสอนพรยเจ้าอันวางไว้ถึงแปดหมืนสี่พันระธรรมขันธ์ขันธ์ก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่นวางที่ตายที่ใจของเราเองนี่เรียกว่าเติมที่ตั้งแห่งงทำมีใ่ มีใจอื่นเป็นคไมีใ่อื่นเป็นวินัยคุณบอกว่าคือตัววาง้องเราเนี่ยเป็นคำเป็นวิมัยอันมาว่าคือตาเป็นคำตาเป็นวิมัยหูเป็นคำหูเป็นวินัยเนี่ยคือเทีนไหนยังว่างอะล่ะตาสนับดูหูสนับฟัง เมื่อได้ยินแล้วเราต้องน้อมกับภา ย, นยในวินญาโยแพร่นำมาจากความชั่วนำความชั่วจากตนนำตนจากความชั่วตอนที่เมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วความชั่วทั้งหลายอยู่ที่ไหนดเดี๋ยวนี้ตุกทุกมาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ย ให้พากันในจงรูุ้ณเข้าใจไม่ใว่า้อตาเป็นสุขไม่ใช่ข้าตาเป็นทุกข์ทิ้งทั้งหลายเขาไม่ได้สุขเขาไขขมาไ่ทุกข์น่าจะใจของเราแล้วเท่านี้ให้พ า, เเาดดพันธิเจรณาดูสิมองท่านนี่ละเมื่อเราเห็นทุกข์พระสัจจะอนิจจา เราจะได้พ้นจากทุกข์อยนี้ความที่คนทุกข์จะพบอยู่ที่ไหนเร า, เาคือใจเราไม่ทุกข์เนี่ยแล้วคนทุกข์เป็นนั่นได้ยินล้วอาคนอมก็ภายในมีศาสตนาทาน่านวางไว้ในตัวของัวกเราไม่ได้วางชื่ออื่นนี่ละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วให้ การในพิจนาถึงที่ถึงของเรามันสอนไวน้การกว่า ส, เ ม, าสามเร็จมัตสามแหลผมมันเป็นยังไงนี่ลูกเสียกภายนอกใครเห็นเหมือนกับเราทำการทำงานเสร็จตุลยัมนมันเสร็จจะเป็นใหญ่ขอ ม, มามันก็นี่ละท สุทธิปฎิวิหารปฎิหรือทําการงานปฎิแทบเล่าแท้ไงจร่งทั้งหลายทั้งหมดแต่คนเขไม่รู้ว่าพุทธิเป็นไมนน้หรือเป็นปูนหรือเป็นเหล็กเป็นอันอื่นไปนายช่างที่ตลาดรวมสิ่งเหล่านั้นเข้า เป็นก้อ น, อนเดียวตีก็ติดหมดไม้ก็หายเหล็กก็หายทูนก็หายอะไรก็หายมาหมดรวมแล้วเป็นพุทธิธสานี่นี่นี่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารวมเข้าไวในจิตดงเดียวเพียงเอกลงคิดตัง จิตเป็นของเดิมจิตตั้งความเป็นอยู่นี่าเราน้อมก็เติมจิตแล้วความสำเร็จอยู่ที่นั่น้าเราไม่รวมแล้วไม่ก็ไม่สำเร็จทำการทำงานทุกสิ้นทุกอย่างต้องรว ม, มเลถหาไม่รว ม, มเมื่อไร้็ไม่สำเร็จเอตังงคำมันมีทำรวมเดียว ชณะนี้เราทั้งหลายขยายาไปแล้วกว้างสว้างปิจดานมากมายข้าวิขาละในกท่าันนานาไปถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ลูวานก็มาแล้วสังเข ป, ป็ไในแล้วมีธรรมเดียวเอตังธร ม, มังเป็นธรรมเดียวเอตังจิดตังมีจิต ด, ดวงเดียว นี่เป็นของเดิมให้พากันในพึ่ลูกคุณก่อใจต่อไปมีละต่อไปพากันในรวมเข้ามัได้อเราไม่รวมนี่ไม่ได้เมื่อใดผิดเราไม่รวมได้เมื่อใดเมื่อไม่ไมนนสําเ็จธรรมะแปดหมื่นสี่พันขัตธรรมขันเรียกว่าคนทั้งหลายอ่านขับไกที่ดอก ในตีดอกทั้งสามแล้วตู้ประไก่ตีดอกนี่อยู่ที่ไหนแล้วสู้ประกกรราากไก่ตีดอกนี่เราเลียนเข้ามาภายในจะเปลี่ยนไปนอกเศษสัญญาอย่งว่างั้นล่ะตีดอกทั้คืออะไรอยู่ที่ไหนเราฟังแล้วคืออยูย่ไกลคําทีทั้งหลายกับเราเป็นผู้ทำเราผู้เขียนเราผู้อ่าน ินล้นันนะามัสูตรติดอกวิเนียติดดอกพระมักติดดอกตดก็นสามเรียกู้กระติดดอกเนี่ยอยู่ที่ไหนเรียกู้กระชาติดดอืมหาดูแล้วธรรมัติโสปัตติโสวิสติโสอยู่ที่ไหนแล้วสูตรตดอกอะไแกลมหายใจเขาไปดูสิ นี่ทําจะลมหายใจเข้าไปนี่วิทยาปีดอกแต่แกลมหายใจออกมาทูตแปรละมัศตีดอกและแกผู้รู้ทาในรักษาชีวิตอินทรีย์นิ่งอยู่ไม่แตกทำลายนี่รวมแล้วทูประกอบกายปีดอกดูที่ลมหายใจที่ไหนเล่าความรู้เราอยู่ที่ไหนเล่า รู้ว่าทุกขกดีรู้ว่าทุกข์กดีในล่มาเปิดคัมภีร์ตรงนี้ถ้า เ, เราในเปิดคัมภีร์ตรงนี้แล้วเราไม่ได้จักอาจจะค้นจับก็ได้ประดมน้อมก็ภายในยล้ามันจะรู้จัก่านแล้วก็ไปในกายปีตดอกแล้วเช่นประมักษาีติดอกทอันมอหขา ม, มาวิาจารังผู้สรางจิตตัง ผู้สนทั้งหลายเกิดจากจิตผู้สังจิตตังผูปั่นังโหติผู้บัติขึ้นจากตัวมนัสหะตังใครเป็นผู้ยินดีละญาณสัมบยตังญาณญาณังคือญาณความโลภสัมบยตังเราไปสัมบยตาลายไว้เดี๋ยวนี้สัมบย ด, ดีหรือสัมบยัว ไถมือเป็นสมมยุณ์แเราเอาอะไรแล้วเป็นอารมณ์นี้เพื่อให้สังเกตและเทศให้เพื่อที่เข้าใจแนวทางไว้เพืเ่อพิจารณาเนีาณสัมมยตันลูปาลังนังว่าเราเอาลู ป, ปันไดเป็นอารมณ์เดี๋ยวนี้คั้นว่าในแจกไปสมมากแพรณธิบายมาั่ง รูปปาละมันนังว่าเอาลูกอันใดเป็นอารมรูปดีรูปชั่วเนี่ยเราเอาลูดีเป็นอารมณ์เราก็จะไปสุขติเอาลูกชั่วเป็นอารมณ์เราก็ไปทุขตินี่เรื่องเป็นเนี่ยรูปดีจะรู้ได้อย่างไงเราว่ารูปนั้นรูปนี้มัไปไปรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีอันนี้รูปไม่ดี รูปดีเป็นไงเล่าคือใจเราดีนี่มันเป็นอย่างนี้ให้พากันให้ปิจเจณาสามมาัาละมนนังว่าเราเสียงอะไรเป็นอารมณ์เนีน่เป็นอารมณ์ของเรานี่ยฉันเป็นตัวปฏิทำในสังขารเวลาเปนฉังแต่ทำไปเสียงดีเป็นตัวให้พากันเนื้อจับ ขันสามัญนังว่าคินดีทุกทัวะเนี่ยเราคลินนันใดเป็นอารมณ์เราไอ้หาอันใหนรู้จักระสาหนึ่งนังว่ารัเตียททัวพันธ์สามัญนังว่าสัมปชีตสัมปทรวมก็ธรรมะละมันนังว่าว ร, า ร, มารมวมก็ธนนราารมนนเดียวคือดวงใจเราจะยึดเัวสินาอารมณ์นั้น มาไหนในใจเราอันนี้คาปีอภิธรรมดูเทพําแล้วคืออยู่ไกลแต่อยู่ทีตู้ประกอที่ดอกดูเทพอันนี้คำปีที่สองปัณจคันคารูปักคันโธเวทนาขันโธชนะคันโธสังขารละคันโธวิญญาณคันโธขันขันกระแปรวกร รูปักษันนี่วางรูปอยู่นี้หมดรูปักษันรูปักษันก็ได้แก่อะไรหาสองแขนสองมืานหนึ่งอันนี้รูปักขันคำ น, นันนี้แหละอยู่ในนี้ไอ้พี่เจรนาลูปนันี้อ่อเจนลูปันี้มันเสียงทำไมเทียงอ่ะไอ้พีเจรนาได้เนี่ย ที่หายและลักษณ์ตับในเครื่องกระจไว้เครื่องพิจารณานิราเวทนาขันโธขันของเวทนาคือความสวยสุขความเสวยทุกข์ให้เสียทุกข์นี่พิจารณาโดยแท้สัญญาลักษณ์โธความจำความหมายอยู่ที่ไหนล่ะฉันจําว่าเป็นนอนเป็นนี่ ดูสิอะไรผูร้จำนะสะสังขาลกันโพความปรุงความแต่งเนี่ในนะยให้รู้จักไอ้ผู้ปรุงผู้แต่งนะวิญญาณนะันโคผู้รู้จะไปปฏิสนธรริกิญญาณและไปยุดเอาสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนอากัรในจุด น, น้อมเข้ามาพิจรารณานี่แหละไอ้เห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ ท่ทน า, นะะานาทเทศนาปัญจาวคีดิสุทั้งห้าท่านก็เล้ฟังโอวาทนี้ท่านก็เล้สั่งเร็จพลังหมดทางห้าพระองค์เิ็ดโดเช่เราก็ตัวจอบยู่แล้วในสร็จสถาานะเวทนานี่ยจะรูปตังอนจังดูจงเทียเท่ยงในเที่ยงเราก็เข้าใจอยู่แล้วนี่ เวทนานิจาสัญญานิชาสังขละอนิจจวิญญาณังอนิจจวิญญาณนี่ละเอาแต่มจเปนเมื่เชื่อมเมื่อเชื่อมนี bon ่ท่านพิจารณาให้ทุกู้คเห็นเนี่ยเอามาพิจารณานงนีสันบอีูปังนัตตาเวทนานัตสัญญานัตสังขละัตตาวิญญาณังนัตตา มันไม่เจตโตอนทนั้นเมื่อเป็นเชนี้และอตอนนี้ไปทาันเขาดูอธิบายขยายพระธรรมไปพาให้เขาพี่นั่งสมาธิตั้งจิตลองดูมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นยังไงให้รู้เห็นถ้ามันล้มเห็นมีจะเทศจอธิบายไปนี้จะไม่มีที่สิสุดเอาลงมือทําให้ดูตัวจริงมันเป็นยังไงเออเอา ให้เขาที่นั่งสบายสบายเออมาเนี่ทุกยอดสบายไม่และกโกหกหลอกลงใครได้ตังคนตงังลูกนั่งสบายสบายเรามานี่เราตาังตังความสุขความสบายแท่นเล่นดูมันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความนีอยูนี่อธิบายกันแล้วต่ อ, อไปนั่งใสบายสบาย วางาวางทางสบายแล้วมือขาวาทับขาใต้มือฟ้าทับมือใต้ทางซ้ายสบายมือซ้ายจะสบายแล้วนี่ตะลับวารวงรวมใจขอมเาน้อมตะไปภายใน น, นี่ล้วลงมือทำทั้นฟังแต่ก่อนทั้นทำใบบานเดี๋ยวนี้เราจะไม่ รัดจได้ยินได้ฟังมาจำว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วประเด็นสคัญเราเข้าใจสําคัญเราได้เราพูดแล้วเราพูดได้แล้วว่าเราได้เราดูตัวจินที่เราอยากปลนทุกข์เราอยากได้ความสุขความสบายเราอยากปลนทุกข์ผู้ที่ไม่เคยทํา ผู้ที่เคยทำแล้วก็นึกทำภาวนาของตอนผู้ไม่เคยก็ให้นึกว่าคุณทั้งหมดรวมแล้วคุณพระพุทธเจ้าจิตใจพระธรรมจิตใจพรเหมณ์สงฆ์จิตใจไอเชื่อมัน่นลงแล้วใส่นึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธลือนเสด็จคัมโมสังโฆในใยของเรา พุทโธธัมโมสัโฆสามคแล้วรวมมาแต่พุทโธพุทโธคำเดียวนับตานับตาลี้นตา ม, มิตรผลิตให้ลึกต่าในใจลึกและลึกเพื่อให้ได้เราจะรู้เวลานี้นะตัวเราอยู่ในสันน่นใดในคอบมันใดคอบมันอยู่สาม เจนกายมาภพรูปภพอารููภพดูดิมันเป็นย่างไงเจว่ากายมาภพรูปภพอารมูภพนี่ที่อยู่ของโลกท้างสามกามาโลกรูปภะโลกอารมูภะโลกมันภพนี้เป็นภพที่อยู่นอาเราอันนี้ในกามาภพนี้เนี่ยนึกดู ในเพชโลที่อยู่ของเราเมื่อจิตของเราต่ําอยู่ที่รู้ตรงไหนแล้วอาจะรู้จักประสบของเราเมื่อจิตของเราตั้งละลึกพุทโธความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสตงิเวทมนต์ยาชมไปทางหน้ามาทางหลังทางซ้ายทางขวาทางบน้างล่าง สร้างสภาวะทการงันที่รู้อยู่นั้นอต่นี่เนอเดช้างเรามันดีแล้วไม่ดีู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็เลยจักตรงนี้วันนี้ก็ลูกเปียกแล้วเหมือนกันในช้างก็าต่าเขานี่ก็เราทาสมาธิสมาธิคือจิตสร้างแต่ช้า ง, งเขาต่เขากันไรเขาตั้งแล้วเขก็ มองดูข้างหน้าข้างหลังเอาระดับจับดู้มันเที่ยงทำไมเที่ยงมันเอียงเอียงในทางไหน่นเอารู้จักไปเียงเียเขาก็ทักขึ้นมาหาแล้วเขาก็ตั้งเขาเล่นดูจนมันเที่ยงต้องเขาฟังไว้มันแน่มีเรืธีทีู่ตัง เราประเด็นนี้ก็ตั้งใหนเป็นของเทีย้ยงวิญญาณของเรามันในเที้ยงวันนี้อย่า ง, ยงมันเที้ยงไม่ใช่จะเป็นพอิีผ่านได้เรื่องอะไรอย่างนั้นไอ้มันเที่ยงมันนองออกไปทางไหนเข้าทางไหนนี่ที่เอาควตรงไห น, นขาตรงไห น, นให้คงลูกมองเห็นไม่ใช่ที่นั่งลักตาไปเซ อ, อย่างนั้น รู้จิตของเรานี่มันหลงอะไรมันคล้องอะไรมันคาอะไรนี่ให้รู้จักนี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่ในกามพภ์กามพภ์นี้มันแบ่งเป็นสองในคือจิตอยู่ในรูปในเสียงในเปลนในรอดสมคัดอารมณ์ทางหลายต่างๆ นี่ชิตของเราทขเอาาเที่ยวอยู่นี่ดูได้ในกามาภพนี้แบ่งเป็นสองในน ะ, ะแบ่งเป็นอาบายภูมิ น, นึงแบ่งเป็นสักามาวาจอนันหนึ่งดูทด้มันเป็นอาบายภูมิยางไงเคยจิตของเรามันเสาหมองจิตในฝ่องใสจิตวุ่นวา จิตดอร้อนจิตทะเยอทะยานจิตดิ้นรนจิตระ ว, วันกลวาย้พวกนะีนัง่งอยู่เดีวนี้ละลไม่ต่างคำหนึงถึงอดีนอนาคตดูนะั่งปัจจุบนันเดีนี้เนี่ยล่ะเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นล่ะมันไปอบายภูมินะ ท, ทั้งตีพากัน่พิจารณา อันเนี้ยเมื่อจิตฟองเอาแบ่งไปสักการมาฌานวรรษนเป็นยังไงดิ้นเราท่องสมันดิ้นไม่ดิ้นลอนไม่กระวนกระวายมีความสุขความสบายออกสบายใจจิตนั้นไม่ได้วุ่นวายสบายเนี่ยดูเอาเที่ยอันนี้เมื่อดัอขขอบขันไปก็ไปสวรร์ รู้จักสวรรค์ก็คือความสุขความสบายอะไรสุขสบายดวงใจเราสุขดวงใจเราสบายฟังดูทิอย่า่าให้ฟังเรื่องนันเป็นอย่างนี้อันนี้นจิตค้นจากเออตามาพบเือจิตนั้นมันไม่ได้ไปจิดต่อในลูกในเสียงในกลิ่นในรสไทยในนอกภไอ้นอก มันเห็นแต่ภายในเข้ามาเหลือแต่ลูกเห็นแต่สังขานร่างกายเรานี่เบื้องบนเบื้องล้า ง, าาา ง, า ง, างด้านกว้างสถานกลางมีจัน ด, ด์กายของเรานี่มีคนนี้เีเจรนาเิมานิยอมีอาชาเปรยันโตมีนางหุ้มจุเป็นทิสราโรโบรณนะระการาสาสิจินโน จิตเหล่านี้มันเต็มไปได้วยของไม่สหอาดมีประการต่างๆ ท, งทงี่ไม่สนิทกายเยนในกายนี้ฉันไม่ได้บอกว่ากายโนนกายนี้แปลว่ากายของเรานี่แหละไม่ใช่กายอื่นคืออะไรเล่ายกตัว อ, อย่างเห็นจงเกษคือขนเต็มไปอย่างนี้ของไม่สะาโลมาคือขนหนาคาคือเล็บดันตาคือฟันตะโจคือหนันนย มังสังคือเนื้อเนี่ยอันนี้เต็นไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ล่ะห้พิจนาเห็นอยู่เดี๋ยวเวลานี้ล่ะเป็นยังไงสิ่งนี้สิ่งของสะอาดหรือเป็นของไม่สะอาดนี่เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ท่านจึงไปสอนมูระมาฐานแล้วว่าพระอยูปาแล้วว่าพะระสมาฐาน สมมติว่าสมาภาไมานี้ว่าพระกมาฐานแค่ได้กินมันเป็นกมามฐานเมื่อนั้นอุปชายะมันปวดเมื่อยประชาเป็นสามเณรแล้วก็สอนมูลกมามฐานถ้าอยู่ตามบ้านกัดพบว่าไม่เป็นทักกมามฐานอย่าโยมพยึนพุทธชายว่าเราไม่เป็นกมามฐาน เนีเ่ยเก็ฑแล้วไม่เป็นกันดูเจ้าท่านสอนในกรรมฐานเกษาคือผมน่ะหมอยู่ที่ไหนล่ะดูที่อันนี้ละมูลกรรมฐ า, านเป็นมูลหนึ่งซักทั้งหลายหลมในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มาหลงผมนี่แหละอันนี้ลาทิเจ น, นาที่ผมของเรามันเป็นของสวยและเป็นของงามและเป็นของสะอาด เลยเป็นของน่าเกลียดใอ้เพื่นลูกเพิ่เห็นได้เห็นว่ามันสวยแล้วอาผมของเราหลุดใส่ข้าวหรือใส่อาหารเราก็รับทานไม่ได้เนะมือรับทานไม่ได้มันเป็นยังไงเรารวมแล้วก็เป็นของเกลียดนะดูที่นะนะัวมาคือฝนตามสารางหน้ากายเราดูสิ มีอาทิตยเกลานาเนี่ยนักขาคือเล็บดูที่แล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าของเรานี่ทันตันตาคือฟันทันอยูปากของเราถึ้งเหลานี้ละ่ะตะโจคือหนังนังห่มอยู่เนี่ยเป็นที่สุดลอบเอานังนี้ออกมูลาแปลงไงเดินนังคนอยในจานข้าวเราจะรับแต่ไม้ เมื่อรับไม่ได้เราจะว่ามันสวยมันงามยังไงมันเป็นคนยังไง น, นี่จาแนกแก่ข้อย่างนี้จุนอภควาเป็นผู้จําแนกแก่ธรรมเมื่อเราพิจารณานี้จิตของเรามาจะลนิพิทาความเบื่อหน่ายในรูปในเสียสงกลิ่นรสทัหมายทั้งหมดนเราเห็นอย่างนี้ให้แค่นพิจารณานี้ว่าจะเป็นธรรม เป็นผ ah ู้รู uh ้ธรรเห็นธรรมถ้าเราไม่จาแนกแก่เออกมาโดยว่าซือว่าเราเป็นคนด้วยคนงามคนดีอะไรหลงอะไรนี่เลยเกิดชีคิบเกิดมันนะเกิดกิเลสเกิดทันหะเกิดลาภะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอวิชาทันหะบกคนากชาติมา เมื่อเราพิจารณาให้ปอนแล้วมันไม่มีพิชิตมันไม่มีมานะอาหารการมาบังจะถือได้ยังไงเราหนังคนใครจะเอาลราเถื่อหนังออกมาหมดไปไงหลอกนอกเอาหรอกหนังออกมาหมดไปไนคนเราน่าดูไหมนี่ละไอ้พาตพิจารณานี้ยังมาเห็นเป็นธรรม เมื่อเอาหนังมาแล้วก่อนเนื้อดูเอาเนื้อดูแล้วเอากระดูกมาดูนะเอาไว้ทั้งหมดออกดูไตน้อยไตใหญ่ทับไตออกมาดูเป็นไงมันเป็นคนเป็นยังไงทาไมเราจังไปหลงเออนี่อ่ิเกนามเห็นนี่ละมันจะละสักกายพิธีเนีมันจังละวิชิกิสา ความสงสัยจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเลยไม่มีทิละพักความลูกคำมันก็ไม่ลูกคำอ๋อจริงอย่างนี้เมื่อเห็นเป็นอย่างนี้แล้วจิตหลังกวางพอจิตวางแล้วมันก็ถึงอรุณถึงอรูณ ป, ประพบจิตมันกวาง ถึงมาลูกประกอบนี่ในครบเป็นสามนี่ละจะได้นำมาสี่แจนในทางการเขาใจต่อไปนี่ละนั่งตั้งดูสมาธิของเราอธิบายไปแล้วมันหลงอะไรถ้ามันหลงลูกไปยอบลูกไปนี่หลงลูกเสียงกินรสนี่นคล้องตรงไหนแก่ตรงนั้นเด่นนี่ชวไละสมาธิกามาฐาน ม, ม, มีพัฒนาสมามาน แม่รู้จักทำที่ทำฐานะที่ทั้นเวลานี้เราตั้งฐานอะไรทำมันใดอยู่ะยึดกันใดอยู่นี่เราต้องเเพ็งดูตรงนี้มันโลจิตของเราคล้องอะไรมันหลงอะไรเราไม่จักเมื่อเราจิตสงบได้แล้วมันเล้งแล้วมันก็รู้จักที่คล้อง มนุษยจักศีรษะแมเมื่อจากแล้วก็ตัดนี่ไม่ช่แตเป็นวิพัฒนาเกิดขึ้นือนวิเป็นชนายานความรู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมเนี่ย น, นั้นเนื้างคนต่างทำตทางคนต่างพิจารณาว่าเราในเวลานี้เราอยู่ในชั้นใดภูมนินใดในทกันใดเวลานี้เราหักเข้าสู่สงคามแต่หักแต่เนี่ย สมครามมาใดเราต้องเกลี้ยงความใจเลยนี่เออสมครามจะเกิดขึ้นคืออะไรกิเลสสมครามอันนี้ว่าสงครามภายนอกข้าศึกจะสมคามเขาก็เกณฑ์ทหารทุกทีอักทุกวันเมื่อสงคามมามาใดก็ไม่ต้องกลัวยกขับใส่มานั้นอันนี้กิเลสสมคามเราเล่าเกิดความแฉ่ความเจ็บความทัง โลกภัยมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะล็อกทีไหนเล่าเราจะสู้วิธีไหนเล่านี่มาหาเรื่เนี่ยเออยเหนรู้เห็นไม่เดีเนี้เห็นเดี๋ยวนี้ยเราต้องเข้าสมาธิทำใจตั้งมัเข้าหลุมผ้าคือหลุมพ้า ค, คือเขารับสงคารามไปหน้าเขามีหลุมผ้าแล้วเขาก็ไม่กลัว ถ้าแดนไายมีลุ่เพราะตั้งภูมิใจแล้วสนะขาดศึก น, นีก่เรามีสมาธิแน่หนาแล้วทุกเวทนาลมันก็เข้าไม่ถึงจิตของเราเพราะเราปล่อยแล้วเราวางแล้วเราละแล้วเหลือแต่รูปไปจิตอันนี้เมื่อเราจะในพบทั้งสามนี้เป็นทุกอย่างเรื่องสมมุติทั้งหลาย จิตเนื้อกันละละครอบทั้งสามัมนก็เป็นวิมุตติลบพ้นไปหมดนะเรื่องมันเดีย๋ยวเราเป็นวิมุตติแต่ลบพ้นจะเป็นอย่างน้อนอย่างนี้บัดจิตนั้นจะได้เข้าสู่ป ร, ริภานรับทุกในวัฏสงสารไม่ต้องสงสยัยนะเลื่นว่าตายเกิดในโลกอันนี้เริ่มมันเป็นอย่างนี้วัฏสงสาร ทำไมจังวัดกลางเื่อนวนเวียนส่งสารคือความสงสัยในรูปในสิ่งทั้งหลายทั้งหมดมันได้ไม่ละวิธิกิสาไดที่ในนี้เรารู้แล้วเราไม่ต้องวนเวียนอีกอเกิดล้วก็รู้แล้วมันทุกข์ชราก็รู้แล้วมันทุกข์ปยาทีค์แต่เรารู้แล้วมันทุกข์ มาลณะเรารู้แล้วมันทุกข์เมื่อเราทุกข์เ่านี้จะทุกข์เพราะความเกิดแล้ว ก, ก็หยุดห <Yeah. S 1> ูนี้ไม่เกิดแล้วใครจะติดก๊อกหูนี้เกิดแล้วหูนี้ก็ไม่ไม่แก่ไม่ตายหูนี้ไม่ตายแล้วอะไรจะมาเกิดมันไม่เกิดจอะไรมาตายดยูสิหายใจหองพิษของเราแต่นี้เราเกิดเกิดแล้วก็ตาย ตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ไม่แล้วสักทีพระพุทธเจ้ารู้และเป็นอมตะเป็นเขาไม่ตายอ่ท่าเป็นอย่าง น, นั้นเนี่สันใด้ที่สันนั่นแหละคือท่าเกิดท่านจะไม่เกิดตายท่านจะไม่ตายนี่ละให้ถึงของที่ไม่ตายคิดเดินของเราที่ที่พุทันความเป็นอยู่เอาตาอไปแค่นโ้ลง ทางคนทางเพ่นได้กินได้ฟังแล้ว โ, โกปัญญโกให้น้อมกับภายในายทางคนตั้งดูอย่าไปดูทางนอกได้กินได้สัญญาไวา้เมื่อเทสะนาอยู่นี่คิดทั้งหลายจะมาฟังไปเสียงตอนี่ไปเขฟังภายในอย่างวิไนโยไม่ใช่นำมาจากความชั่วนำชมมาจากคมชั่วนำความชั่วจะกิน รวมแล้ววินยัยทางอากับสติวินัยโยผู้มีสติและเป็นองค์วินยัยในเช่นเล็งโด น, โ น, นีละสัญญาไว้ยิงเสียงอะไรก็ตามรมู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนนะ่นดูใจเราตามสมควเอาจน ในเวลาเอาเองที่จะนาตอนนี้จะมาที่บายละมะทธิบายแล้วจะมาฟังเรี่องหาด้วยความแล้วอห้รู้จักว่มันคล้องตรงไหนมัอาตรงไหนแกตรงนั้นเหมือนเราขันขันในตัวเราขันตรงไหนก็ต้องเตาตรงนั้นมันจะหายอันนี้กระสันใดลิบต์เราคล้องตรงไหนก็ต้องแกะตรงนั้นต้องสําระตรงนั้น ถ้ามันสิ้นไปหมดไ ป, ดไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะทนทุกข์ความที่ทนทุกข์ของจิตรู้ได้อย่งไรรวมมาสันส้นๆแล้วคือเจ็บเราไม่ทุกข์เมื่อเจ็บเราไม่ทุกข์แปลว่ามันทนทุกข์เจ็บยังมีทุกข์อยู่มัก็ไม่ทนทุกข์มันยังมีทุกข์ตรงไหนก็ดูตรงนั้น จะไปหาอยากเป็นโน้นอยากเห็นนี้อยากเป็นโน้นเป็นนี้จะไปหาไปหาเป็นคันหามันตันเจ้าของมทํานิ่งอยู่เปียบเหมือนกันแต่นายทหานเขายิงเนื้อเขาไม่ได้วิ่งเขาไม่ได้เต้นเขานิ่งอยู่เท่านั้นแหละเขาดักเนื้อเนื้อเขามาเวลาเขาจะยิงปืนเขาเล่นคาเดียว มันจะทูนัะหรือก็ลับตั้งคิดนิ่งโดูนะมันจะไปข้างหน้าแล้วมันจะมาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาถ้ามันโล้อ้าวตอนนี้ไปต่างคนต่างๆวางไม่สบายสิ่งใดไม่ดีแล้วพอเราไม่ต้องการ ใครบูงปรไปยึดถือเอาคนทั้งหลายเกิดมาแต่อยากดีเราไปยึดเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีที่นี่ต่างคนต่างสงบวันนี้สายพระเจ้าคุสนมหาบวชิดด้วยแล้วก็ะเทศดูต่างคนต่างสงบประเทศอาของเราค่า จะได้มีความสุขจะได้มีความเจริญท่านมหาบุพินท่านก็เห็นเราทั้งหลายมีความดีมีความใจดีมีความสุขความสบายท่านก็ได้รับความสุขความสบาย่วันจึงเนราสกุลเป็นสิริมงคลห้าโคกลาวุ่นวายเดืร้อนท่านก็ได้รับความสุขความเนืเหมือนกัะบี่ดาบมนดา ลูกไม่ดีบิ ด, ดามัรดาก็เป็นทุกข์ถ้าลูกดีบิ ด, ดามัรดาก็เป็นสุขนี่ก็สัมได้คือกันนั่นแหละประเทศชาติอาอาของเราถ้าตั้งคนต่างมีความสุขความสบายแล้วมันก็มีความสุขความเจริญยั่งยืนถาวรตลอดกาลไปนี่ คนเราจะโตจะเป็นอย่างโน้นโตจะเป็นอย่างนี้ประเทศเราต่อไปจะเป็นยังไง น, นั้นดูได้เลยละถ้าเราดีสงบเรียบร้อยอนาคตมันก็เป็นอย่างนี้แต่จิตของเราวุ่นวายไม่สงบอนาคตมันก็เป็นอย่างนั้นพราฉะนั้นเราก็แค่ดูดิ กำจัดออกไปหมดใหเรียนทั้งหลายอาศัยพุทธานุภาเวลานี่เราพุทธเจ้าเป็นอนุภาเอาวัตธรรมมีานุภาไปสองานุภาพุทธะคือความรู้และถราทำคือเราทำอยู่ดีนี่แหละสะสมคืออาปฏิบัติดีนี่แหะเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วก็เรียกว่าพุทโธเมนาโถล่ะเป็นใหญ่โกละคำโมยนะโกละเป็นใหญ่หมดทั้งโก ไม่น่าโผเป็นใหญ่สุดมัดในสามโลกนี้อ้าต่อไปให้เพิ่งรู้คุณเข้าใจอยาและวีตกกิจา ร, จารอ่าให้เห็นกินแค่ประาจากักษ์เทศ่ยงอย่าอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงต่อไปเป็นอย่างนี้แหละอ่าคือเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละถ้าเราสงบอย่างนี้มันจะสงบอย่างนี้ต่อไป ถ้เร า, าไม่สงบก็ไม่ก็ไม่สงดต่อไปจะว่าไงล่ะเพราะวไปจากนี้อา น, นาคตเออเอาต่อไปด้วยความแนะทางคนทางฟังน่สบายสบายผมเราดีก็ไม่ดีเี่ยมาวัดโลจะมาวัดวันนี้รู้ไม่สอบดี เรืไ้ต้องเราธิบายทํงแล้วมันจะเจริญอยู่ได้ศกคือคำสอนคือสอนนงนี้หละสอนกายสอนใจของเาเรา้ดี หายเจริญยิ่งๆคุณไปไม่ดีแล้วพากันเลิกสันละแต่หายต่อไปประเทศข้าเราจะอยู่ไ ด, ด้ใช้สุนามความดีเรื่องเห็นรัตนได้เป็นยิ้มาทิกทีเห็นทิศ เ, เ, เป็นชอบกะประกอบเมอนกำเนิดเมาหองไฟเป็นสัมมาทิตย์ทีช่ชอบคือเรานันรู้ล มันสมาแบบความชอบเราทำแล้วกระกอบใจดูโลบดีใจได้รับความโบกบานให้รับความสุขความสบายไม่รุ่วายเดือร้อนนีรื่องเป็นอย่างนี้นาความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันเด็กใหน้าอธิบายมาแล้ววันนี้เป็นวัน ว่าก ja, ูสอนหบอกติสมเด็จงานทนมเดอดเพื่อเป็นชีวิตมงคนแกประเทศบ้านเมืองแกพวกเราทหลายท่านอยู่ด้อภบนาถบำเพ็ญกูสอนเออส่นี้บำเพนกูสอนทำไมบำเพ็ญเนี่ยบำเพ็ญอย่างนี้ล่ะกูสอนคืคือความสุขความสบายคือความสุขความเจริญ เพื่อให้เราได้เรีรับความโบดบานในนามสุขความสบายไม่พูดวายเดืร้อนนี่ต้องเป็นอย่างนี้นำความสุขความเติมให้ในวันบัลลังก์เดือนหน้าอธิบายมาแล้ววันนี้เป็นวันราชสุดสอนมาบอกที่อุมเด็กงานทห่งหนึ่งเลย เพื <ốc> ่อเป็นชีวิตมคนแก่ประเทศต่ะบางเมืองแก่พวกเราหลายท่านอยู่ในขั้นนำบำเท็ญกุศลเรื่องแบ่นี้ทเพ็กุศลทำไมบำเทนี่ยบเพ็นี้ล่ะกุศลก็คือความสุขความสบายคือความสุขความเจริญเพื่อให้เราได้รับความเยือกความเย็นเราไรับความเบาความสบายเนี่ย ทางสาง จ, จิตใจสุดสบายแล้วท่านได้รับความเยีอกความเยนความสุดสบายสุดสบาแล้ว เ, เรามีความยุ่งยากวุ่นวายปูดท้องเจ็ข้าวและหนักกดหนักใจเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่เสียาผู้ประมาทสบิดามัดาสารลูปวายานถะอนยะา อุดามัดาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอลูกว่าง่ายสอนน่ายอุดามัดาก็มีความสุขความสบายในแต่ชั้นในประเทศเราทพก ค, ก ค, กความเป็นเร็วปันเนี่สยสนใจว่าตอนนี้ใจใจเนี่ยเอานี่ยจะได้ความสุขความสบายทีงนคั่นให้มาไปจะได้ความร่คำความรวย ได้ความสวยความงามไลความทนทุกขไทนทีกิเจันไรลายท้ลายทั้งหมดเคอติบายมาแล้วจันไรลหลายตอนอยู่ที่ิอยู่ที่ใจติดใจที่ายของเราในธรรมะาสงอนทมโนธรรมาธรมะมโนกนโมท นาโนเมตนามนโนบุพ um ังค์พมามามโนคือความน้อมกัมมาคือความคิดบุพะในบืองทบุญและบาปินใบใจเราถึงกอนกินทหลายสิ้นใจเราถึงกอนอนาคตก็ดี่ต้องดูเดือนนี้อาปัจจุบันนี้ดีแล้วอนาคตมันดี่ต้อง ปั้าส่นใปัจจุบันนี้ดีอนาคตกันก็ดีมีใครต้องการจรงไม่ดีล่ะมีใครยะอมาแ่เป็นทางกาต่างสงบมีความเยือกความเย็นความสุขความสบายเบรความเจรนาวุฒิโชพระพุทธเจ้านั่นจะดีนี่ละ ใจเราเป็นหลักฐานใจเป็นประกานมันสำเร็จกระโดงใจสิ่งสารหลายเมื่อนี้แลนํามาเตือนใจโดยเยนยอนนี้พอเป็นข้อปฏิบัติระดับสฏิปัญญาบารมีทางจิตไรเมื่อทันไหายสดับแล้วไม่รู้ว่ามารถทำาำสอนโดยเยนยอน้อนนี้พอเป็นข้อปฏิบัติแล้ว นำไปดีินสพิจารณาสรุปง้อข้อในความในพระพุทธศาสนาคือกายกระจยนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งคุณพระเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมในที่ั้งของเป็นที่ตั้งแห่งมากแต่ฝเมื่อได้ยินในคฟังเนื้อโยมโสมาติปานพาสับนัดเกิดไรแน่นำไปประเทศปฏิบัติพุทธตนคนในประทมคําสอน แต่น kind of mm ี่ต่อไปเมื ids, ain, ่อเราท่านทั farther, ้งหลายมีความประมาทแล้วจักประสบขอบเ็นแต่ความทุกข์ความแต่เลิญดังเดแสแงมาเววังก็มด้วครัอภิวารันเทียริสันยังมีอาภัสยาโนเจตารูตัมมวัตทันติ อายุวันโอตัตว์นั่งอามมากแค่ไหวะเว้ยผู้นั้นฮะฮะนั่นเรื่องนุญะยัไม่ไปยี่เซี่ไม เ <X> รื่องนี้จะมาไอ้เอ้ยนี่มึงที่เอ้ยยังไงหนึ่งสองสามสี n ห้าตามคนตามดีมึงก็จะเลินเตเราพวกใจหลังมึงเพียงอมัดีตรงไหนเราเจ้ไปฟังมาแก้ไขตรงนั้นนะ มันจะถนนผนทางไม่ดีแก้ายนี่คิตใจลรไม่ดีเราแก้ประเทศไม่ได้รัแรงแล้วคิดใจยังไงธรรมะทุกคนฟ้าอะไรก็ค่ะอ่เออ ไม่ได้กันนอตเราพอรักมยัเจ็บอะมันจะเป็นยังเรามาดีไมเป็นไม่ดีจะมาเป็นดีะมา มันดีก็มาไม่ดีราจะมาทาไมมันไม่ดีเนอว่างเอดีวจะมอตุเลยเดีวเหรอยาวเลยมันเอาทุกวันบอกแล้วสอนแล้วเอทุกวันอนแล้วยาทุกปีเอาทุกวันสมภารคนถามมาจะมาผ้าบอกว่า มาสร้างบุตรสร้างอะไรกันแล้วอาจารย์เมื่อใดจะ ส, สอนถามธรมาตอบประสองทุกวัน <ś led> อันนี้ น, นี่อาจารย์เดินใดทําบุญประจําปีธรรมาตอบประจําทุกวัน <ś led> ทําบุญทุกวันแล้วจะประจําทุกวันยัไงเล า, าเราก็ทําุวนด้ มันมันล้วงง่ายลายบริเจ้าของทัวร์ น, นี่ถูกดิมันง่ายหละ บ, บัพปุ๊ไม่ดีแล้วทิ้งขายนะตัวนี้เราทำงามความดีโย่แต่นายโย่ก็ทำไมก็แก้มันร้องวันยินไม่ร้องมันไม่ร้องตื่นเต่อนมันนั่งสังเกตไปมนันร้องแรงตื่นเจ้าของตือนได้มันขึ้นบืงต้น่นาง น, นี้ทาไมยังร้องวา มัเนอมันมีเหียดอยู่หน่อยมันบอกมันขึ้นทีละจับจับจัจัเนี่ยมันก็ทำใหจับมันหมุนเนี่ยจับจับจัจัมันออกเนี่ยจับ้ับอ้เอนี่มาจับตรงันรีบกลับมาแก้ตรงนี้จะไปแก้ปลายมัน แก้โทมันนี่แก้ซ้นมันนี่นะดีกลับแก้ในเดือนนี้มันไม่ดีแต่มันดีแก้มันจรดีกระจายไปล่ะนี้ก็เรามากับแก่นี่จิแอกับมาแก่หลงปูนปัญญิโกภัพุทธเจ้าบอกบอกแล้วโอเคอยูแล้วทีที่โ้จงลองเล็กรสละร้านมันดูทำมันดูตรงนี้ดีไม่ดี กลับมาแก er <Catal ceux S 1> ้ตรงนี hard, there, ้เอจะไปแก้คืนไม่ได้แล้วแก้ต้อนมันนี่ควรมาอยู่นี่มาแก้ตรงนี้ใจยันพวกเราแก้เอาจะดีนี่นตายไปตัวแก้แล้วตายไปตัวแก้ตามันโลดตัวมันลายมาแก้ไม่ได้มาแก้เสียดีนี่นะตามันโลดตัวมันลายแล้วแก่ แกอะไรได้ละมีแต่ห้องแก่แกยแก่่ได้สิผมาแก่เยนี้แก่ทุกแก่เลนี้ไหมมาชิมดีอายไหมท่านีว่างืจจักบุญหรือยังนี่พวกเราอนี้นะจจักบุญจัก่เดี๋ยวเรามีทานใฟเราเ่า พวกเขมรมันมันมรดจบุญข้ามรดจบุญมันเอาเรือความน้ํำลับจ่างความน้ำคนไปกับลับจ่างเรืออายหรือแกวเรือความน้ําพระกันไปพานั้นไปแล้วท่านไม่มีเงินจ้างวไงล่ะไม่มีเงินจ้าง เอาบุญไหมเออบุญอ๋บุญเก่าต้องลงเขาบุญละแล้วขึ้นเรือไปขวามันไปตรงฝั่งดาวท่งความาถามหาบุญที่ไหนไหนอาจารย์บุญหรอหลวงพอก็เอาบุญไหนอาจารบุญถามเสกยังเอาบุญนะว่าไหนบุญท่า น, น <S <S ล้ำคานควักอิจโมกไให้ เออรับที่จงุกยักให้แล้วเอาบุญบุญให้ไปไม่มีที่ไว้ไว้จะให้ทานบุญัวเอาบุญนั้นไม่มีทีไว้เนาะหันนี่เอาไว้ทไหนอว้ที่ห้การบุญก็พอพอเยสีปากอมเอัพอะยสีปากอมแล้ววมวมแล้วกบุญอาจารย์เช็ดๆเนาะ จะว่าไล่ะนี่ก็เราควรจับบุญเด้ไม่ได้ทํำนะจับบุญเด้บุญก็คือคุณงามความดีบุญคือความสุขความสบายความสบายใจบุญทำได้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะนะนั่งดูบุญเราวําบุญบางคนเห็นโตบุญมันงโตบุญเป็นตโตยังไงมาโมโคะ โยมคนอาจารย์ทำบุญไม่เห็นโตม่สูบุรีมาหรอกทำบุญก็เห็นโตมันในสูบุรีมาว่าไาไม่พูดจริงทำบาันเห็นโตสูบ <laughs> ุรีมาทำไมพูดจิมันไม่เห็นโตมะอาจารย์ทาไมว่าง้มันไม่เห็นโต เราไม่รู้จักบุญหรือจักบาปบุญนั่งอยู่นี่จะว่างไงบาปนั่งอยู่นี่จะว่างไงเราคนไม่รู้เนะ่ยปปันกสมัยไม่รู้จักบุญนี่หรอเอาคิษมูกมันเก่าเนี่ย <c oughs> เอาดูที่ในใจของเราบุญมันเป็นอย่างนี้เราทําคุณงามความดีใจเรามีความสุขความสบายเย็นออกเย็ยนใจไม่ทุกไม่ร้อนมีไม้ นี่นั่นแหละ บ, บุญน่ะอนาโตบุญนี่มาดีแน่ต่ควานวันวันเลยนี่ตับาปอย่นี้คือเราปรพึไดไปดีทำไม่ดีใจเราทุกเนี่ยวุ่นวายเดือดร้อนมีไม้นี่นนันลำบาปจะควานวนมนเห็นตัวมันแย่ใจยังทวกเราน่ะบาปทุกความทุกความยากล่ะ ทุกเนี่ยตรงไหนน้นราบตรงนั่นแหละนรกความคุ้มอกคุมใจทุกเนี่ยตรงไนนั่นกันนรกให้ดูเอานี่ยไม่ไโป๊อะไรเลยนี่มีใครเป็นเนีระจยังเนีเราทาบุญนี่ยกจตรงนี้อ่ะจะว่าไงทิศแก้ทีเดียวนี้นะแก้นานไม่ได้นะ สนใจดีมุดประเทศขาดของเราทางคนตัางใจดีเนีไม่เอาไป